ปฏิบัติไปเรื่อยๆ เ, เนาะแค่อยากจะบอกว่าถ้าใครอยากจะเดินข้างล่างก็ลงไปเดินได้มีที่เดินจงกรมนะมีแคน้ข้างๆนะก็ล่มลื่นอยู่พอสมควรเนาะเผื่อถ้าใครอยากจะปลีด์ตัวเองไปปฏิบัติหรืใครจะปฏิบัติตรงนี้ก็ได้เนาะแล้วก็สักสามโงครึเนะาะก็กลับมาเจอ ก, ก็ให้ทำยังไงก็ได้ให้มันรู้สึกตัวนั่นแหละอ่าคือรู้สึกน่คือการแค่แค่รู้แบบมันคือการสัมผัสเนาะอ่านพต้องเขียนจะเน้น น, นพเขียนสอนจางพลนะให้รู้ไม่ใช่เข้าไปอยู่นะ เวลาเราพลิกมือนะให้รู้นะอย่าเข้าไปอยู่นะนะรู้สึกนะก็เหมือนลมมาสัมผัสกับร่างกายเนะี่ยคือความรู้สึกแค่นั้เองนะลมไม่ได้เข้าไปในเนื้อตัวของเรานะมันก็แค่ลมมันสัมผัสนะกับร่างกายนะคือมัคือการสัมผัสนะเราแค่รู้สึกแบบนั้นนะรู้สึกแบบนั้นไม่ต้อง เอาความรู้สึกมันเข้าไปอยู่ในเท้าในแขนในอะไรเนาะมันเป็นแค่สัมผัสนะเดินก็เหมือนกันก็เหมือนร่างกายก็อันนึงเนาะพื้นที่เดินนะมันก็อันหนึง่งแต่มันคือการสัมผัสกันเนาะเมื่อกายมันสัมผัสลงไปนะเช่นเดินมากระทบกับพื้นนะนั่นะคือความรู้สึกนะฉั้นะความรู้สึกตัวกับ ร่างกายเองมันก็คือคนละอันกันเนาะแต่มันคือการสัมผัสที่มันเรารับรู้ได้นะรู้สึกได้นะแล้วก็จบไปนะแล้วก็มีความสัมผัสมีการสัมผัสใหม่นะมีการกระทบใหม่นะเราก็รู้สึกใหม่นะก็แค่นั้นร่างกายก็อันหนึ่งนะความรู้สึกตัวตัวรู้นะก็อันหนึ่ง แต่มันคือสิ่งนั้นที่มันสัมผัสกันพอดีมันก็เลยเกิดสภาวะตรงนี้นะเหมือนมือมันกระทบกันปุ๊บนะเป็นเสียงขึ้นมากายที่มันกระทบกับอะไรแล้วใจก็รับรู้สิ่งนั้นอยู่ น, ะนั่นก็คือเราก็รู้สึกตัวนะหรือเกิดความคิดเกิดอารมณ์อะไรขึ้นมานะมันเห็นนะรู้สึกได้ว่ามันคิด คล้ายๆเหมือนเรารู้สึกได้ว่าเมื่อตอนนอนถ้ามันฝันเนาะมันจะรู้สึกสะดุ้งขึ้นมาเหรือเอนั่งมามามีคนเรียกชื่อเรานะเรารู้สึกนะถึงตัวตนนะที่มันดำรงอยู่ตรงนั้นนะเนาะอ่อาจจะอาศัยเป็นชื่อนะแต่นี่ก็คือเราก็รู้สึกอืมเมื่อกี้มันหลงไปคิดเนาะเมื่อกี้มันหลงไปจินตนาการอะไรก็แล้วแต่เนาะอืมพอเราเรู้ว่าเออมันเผยไปคิดลนะนันะนะนะคือเรารู้สึกตัวละ นั้นความคิดนะความคิดกับตัวรู้สึกนะก็คนอันกันนะมันเกิดขึ้นมาแล้วเราก็รู้เมื่อกี้มันหลงไปนะนั้นความรู้สึกตัวเองก็ไม่ใช่กายความรู้สึกตัวเองก็ไม่ใช่ความคิดแต่รู้สึกตัวได้เมื่อรู้สึกถึงร่างกายรู้สึกตัวได้เมื่อรู้สึกถึงอ า, อาการของจิต นะที่มันคิดหรือมีอารมณ์ต่างๆนะอืมนะเราก็รู้สึกแบบนี้นไปเรื่อยนะฝึกให้เห็นนะอาการมันเป็นแบบนี้เนาะอืมนะทาไปเรื่อยนะสงสัยก็เหมือนกันนะสงสัยก็คืออาการนะรู้ว่ามันสงสัยนะนะเห็นสงสัยนะแล้วก็รู้นะเหมือนมีภูเขานะแล้วก็มีตาที่มองเห็นนะ ภูเขาไม่ได้เข้ามาอยู่ในตาของเรานะวูเขาก็อยู่ตรงภูเขาเพียงแค่ตาเราไปกระทบกับภูเขาความสึกตัวน ะ, นะก็เหมือนกันอย่าเข้าไปแนบอยู่ในกายมากเกินไปน ะ, นะแค่สัมผัสสัมผัสนะรู้สึกนะสัมผัสรู้สึกเคลื่อนไหวรู้สึกนะ ส่วนอารมณ์ความคิดก็รู้เท่าที่มันดูได้นะแต่ให้รู้ให้รู้สึกได้ว่าความคิดหรืออารมณ์มก็อันหนึ่งนะตัวรู้สึกตัวมันก็ตัวหนึ่งไม่ต้องไปห้ามมันเพียงแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นมันก็คือการไปทักแล้วทักแล้วนะเราทันแล้วนะแค่นั่นเองนะเขาจะหายหรือไม่หายนะเรื่องของเขานะ เราอย่าไปคิดว่าเราจะรู้สึกตัวเพื่อให้มันหายคิดนะมันจะได้สงบนะฉันจะรู้สึกตัวเพื่อฉันจะได้มีความสุขความสบายนะนั่นทำด้วยความอยากไม่ใช่รู้สึกตัวนะอยากนะอยากรู้สึกตัวอยากสงบอยากสบายอยากไม่คิดนะรู้สึกตัวจริงๆมันซื่อนะไม่มีไม่เจือด้วยความอยากนะมันบริสุทธนะ เหมือนเจตนาบริสุทธ์อะทําแล้วมันก็สบายใจเนาะเหมือนเราทําอะไรนะเราเจตนาไม่บริสุทธิ์นะมันจะไม่สบายใจทําเพื่อหวังจะได้อะ่นะะออทําเพื่อให้เขาไม่ทําอย่างนั้นอย่างนี้กับเรามันเจตนามันไม่บริสุทธิ์เนาะแต่ถ้าทํำซื่อๆนะจะเกิดผลอย่างไรก็ยอมรับได้นะอะไรก็ได้ ให้เราซื่อแบบนี้เนะอะง่วงก็ได้ฟุ้งก็ได้คิดก็ได้สุขหรือทุกข์ก็ได้นะก็ ร, รู้มันอย่างที่มันเป็นอืแล้วก็นยะหลังทำไปเร่ยเนานะให้เหมือนความรู้สึกตัวให้มันเหมือนมันเหนืออะเหมือนคนคนว่ายน้ำเป็นอะ่ะก็คือเราก็ ก็คือจะจมน้ำบ้างก็ได้นะแต่อย่าจมนานมันจะตาย <t> <c oughs> ก็โผล่ขึ้นมาะลงไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะก็กลับขึ้นมาใหม่เหมือนเราว่ายน้ำเป็นนะ ก, ก็ลอยคออยู่ในน้ำนั่นแหละนะตอนนี้มันจะต้องเต็นแบบนั้นอยู่เนาะมันยังอยู่ในกระแสความปรุงแต่งนะแต่เราลอยคอได้นะว่ายน้ำได้นะเราก็หายใจได้มีชีวิตอยู่ต่อไปได้ แต่ถ้าเราจมไปนานนะนะมันก็จะติดอารมณ์นะนยเหมือนคนจมอารมณ์เศร้าเนาะก็จะติดมากๆก็เป็นซึมเศร้าอนะืมคนจมกับอารมณ์หงุดหงิดไม่พอใจนะก็จะกลายเป็นคนขี้หงุดหงิดนะนนขี้โกรธเนาะอืมนะก็คือ เรียกว่าให้รู้ทันบ่อยๆมันจะได้ไม่จมกับอารมณ์เปนานเนาะถ้าง่วงนอนก็มองต้นไม้บ้างนะมองท้องฟ้านะทำตาโตๆหายใจลึกๆเลยนะ <c oughs> ยิ้มให้กับตัวเองบ้างนะนะบางทีก็คิดเหมือนแบบมองตัวเองในกระจกก็ยิ้มให้ตัวเองนะเหมือนยิ้มอืม อมันง่วงเนาะธรรมดานะออก็ยิ้ ม, มบ้างอืดีละนะจะได้ฝึกอแต่ก่อนง่วงก็ไม่อยากฝึกเนาะถ้าอยู่คนเดียวนะออง่วงก็ไปทําอย่างอื่นแล้วง่วงก็ไปนอนแล้วนะพออยู่กับเพื่อนดีนะเอง่วงก็จะได้ฝึกนะอืฝึกที่จะอยู่กับความง่วงนะสําคัญนะไม่แน่นะ วันที่เราจะตายมันอาจจะมียากดประสาทเราจนทั้งมันมึน <c oughs> หรือมียากแก้ปวดทําให้เราแทบจะเบอร์นะแต่ถ้าเราเคยมีสติอยู่ได้ท่ามกลางความง่วงแบบนี้ได้นะมาว่ามันจะอาจจะยาก็อันหนึ่งเนา ะ, ะแต่สติที่เราเคยฝึกเนี่ยมันจะทําให้เราอืมมันจะทำให จ, ำจิตมันสามารถ ผลตรงนั้นเห็นตรงนั้นได้นะอืมดีนะเราฝึกกับฟอมง่วงเนี่ยมันสถานการณ์จริงวันทีเราจะเจอแบบนั้นก็ได้เจอมอร์ฟีนเจอเ อ, อ่อะไรก็แล้วแต่ซึ่งมันอาจจะทำให้ร่างกายมันไม่สดชื่นเรร่างกายมันไม่ปกติเนาะหรือบางทีเจอเวทนาหนักๆนะ ถ้าจิตเราไม่เคยฝึกมาก่อนนะมันจะอยู่ยากมากมนะทำไปเรื่อยๆนะแล้วก็ให้ใส่ใจรู้นะแต่ก็ให้รู้ด้วยความผ่อนคลายเนะนะเาะมีความตั้งใจในการทำนะมีเจตนาบ้างนะแต่อย่าไปจมใจมากนะนะตั้งใจนะแต่ผ่อนคลาย รู้ตัวแบบไม่เคร่งเครียดเนาะก็ไม่ใช่ว่าสบายผ่อนคลายแบบคิดไปเรื่อยนะไม่ลืมเนื้อรมตัวเลยอันนี้นก็ไม่ใช่น ะ, นะ